จเจริญพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราชส5 5พเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปทำงานทำการจรึงได้มาวัด เพื่อมาทำให้หูตาสว่างทำให้ใจสว่างด้วยการฟังเทศธรรมเพราะจะได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังอยู่บ่อยๆก็จะเกิดความกระจ่างเกิดวความ เ ข, เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเรื่องอะไรที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็เครื่องก็เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องมรรคผลผนิพพานเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มาวัด เพราะเวลาอยู่ที่นอกวัดก็จะมีแต่เรื่องการบ้านเรื่องการเมืองเรื่องธรรมาหากินเรื่องหาความสุขจากการไปตามสถานที่ต่างๆไปดูหนังเรื่องนั้นไปดูหนังเรื่องนี้เราก็เลยจะไม่หูตาสว่างเพราะเรื่องต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้น ไม่ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาในใจของเรามีแต่จะสร้างความมืดบอดคือความหลงให้มีมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้ยินได้ฟังแต่เรื่องทำมาหากินหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาความสันละเสริญหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นล่นโผฏฐะพต่างๆก็จะทำให้เรายิ่งมืดบอลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาวัดเราจะมาเราจะได้ยินเรื่องกรรมเรื่องทำดีได้ดีทำเชื่อได้ชั่วทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบาปได้ไปตกนรกถ้าปฏิบัติธรรมชำระ ความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จะได้ไปถึงมรรคผลนิพพานไปถึงพระนิพพานเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่จะรู้ได้พวกเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดา ไม่มีทางเห็นไม่มีทางรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเราจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจุดประกายแสงสว่างให้ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจพอที่จะให้เราเห็น เห็นเรื่องราวต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อจะได้พาให้เราปฏิบัติให้ได้เห็นมากยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเห็นอย่างแจ้งชัด mm. เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้ เราจะไม่รู้ว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องนิยายเพราะเรามักจะเห็นเรื่องนรกสวรรค์นั้นอยู่ในนิยายอยู่ในละครเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของนิยายเป็นเรื่องของละครไปแต่ความจริงนรกและสวรรค์นี้เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่ เหมือนกับสถานที่นี้ที่เรามาขับรถมาได้นรกสวรรค์นี้เราขับรถไปไม่ได้นั่งโรบินไปไม่ได้แต่ไปได้ด้วยการกระทำของเราถ้าเราทำบุญเราก็ได้ไปสวรรค์ถ้าเราทำบาปเราก็ได้ไปนรกคำว่าสวรรค์แปลว่าความสุขใจความเย็นใจ คำว่านรกแปลว่าความร้อนใจความทุกข์ใจดังนั้นนรกและสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานี้เองเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราถ้าเราทําดีทําบุญทํากุศลใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมา ถ้าเราทำบาปทำกรรมมีความอาฆาตพยาบาทโหดร้ายทารุณรุ่มร้อนจิตใจใจของเราก็เป็นนรกนี่คือเรื่องของใจที่เราจะไม่ค่อยรู้กันเพราะเรารู้แต่ร่างกายเท่านั้นรู้แต่ร่างกายเท่านั้นเพราะเราเห็นเพียงร่างกายเราไม่เห็นใจ แต่ทุกวันนี้ที่เราสุขที่เราทุกข์ที่เราต้องร้องหง่มร้องไห้ที่เราหัวเราะ ก, ก็เพราะใจทั้งหากเวลาใจมีความสุขดีอกดีใจก็หัวเราะยิ้มแย้มแจม่มใสเวลาใจมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจก็ร้องหง่มร้องไห้แต่เราไม่เห็นใจผู้ทำให้เราร้องห่มร้องไห้ให้เราดีอกดีใจ เราก็คิดว่าเป็นร่างกายของเราแต่ความจริงแล้วร่างกายของเราเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งถ้าไม่มีคนขับรถรถยนต์ก็จะจอดอยู่เฉยๆไม่สามารถขยับเขยื่อนไปไหนได้ฉันใดร่างกายถ้าไม่มีใจก็จะเป็นเหมือนคนตายก็จะนอนนิ่งแข็งอยู่เฉยๆ จะพูดอะไรก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทําสั่งให้ไปทําสิ่งนั้นให้ไปทําสิ่งนี้วันนี้ใจก็สั่งให้เรามาวัดมาทําบุญเมื่อทําบุญแล้วใจเราก็มีความสุขมีความเย็นมีความสบายตอนนี้ใจของเราก็เป็นสวรรค์คือ ใจได้ขึ้นสวรรค์แล้วนั่นเองแต่ถ้าเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่น mm. เกิดความโลภ mm. เกิดความอยากได้แล้วก็ไปทำร้ายผู้อื่น mm. เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการใจก็จะเป็นนรกไปใจก็จะกลายเป็นเปรตไปใจก็จะกลายเป็นอสุรกายไป ขึ้นอยู่กับว่ามีความรู้สึกในลักษณะไหนถ้ามีความรุ่มร้อนอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นตอนนั้นใจก็เป็นนรกถ้ามีความหวาดกลัวกลัวว่าจะต้องใช้ใช้หนี้ใช้กรรมแต่ตอนนั้นใจก็เป็นอสุรกายหรือเป็นผีถ้ามีความโลภมีความหิวมีความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ตอนนั้นใจก็เป็นเปรตไปแต่ถ้าใจมีความเมตตามีการให้มีการเสียสละไม่เบียดเบียนผู้อื่นตอนนั้นใจก็เป็นสวรรค์เป็นเทพถ้าใจสงบนิ่งอยู่ในฌานไม่คิดไม่ปรุงไม่รับรู้เรื่องอะไรต่างๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจ ตอนนั้นใจก็เป็นพระพรหมเป็นพรหมไปถ้าใจตัดกิเลสได้ตัดความหลงได้ไม่ยึดไม่ติดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราปล่อยวางได้ใจก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันถ้าใจมองเห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นเหมือนซากศพที่ยังหายใจได้ ถ้าเมื่อไม่หายใจแล้วก็ยิ่งดูหน้าเกลียดขึ้นไปใหญ่ก็จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีที่อยากจะมีร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขก็จะไม่อยากจะมีคู่ครองอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวแสนจะสุขแสนจะสบายมีคู่ครองก็เหมือนกับเอาซากศพมาเป็นคู่ครองนั่นเอง แต่เราเนื่องจากไม่พิจารณาเราจะไม่เห็นเพราะมีหนังปกปิดอวัยวะต่างๆอยู่ถ้าเราสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่สิ่งที่ไม่สวยงามมีโครงกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีพุงไม่มีอะไรที่สวยงามในร่างกายของเราเลย ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายก็ได้เป็นพระอนาคามีก็จะอยู่แบบนักบวชไม่มีคู่กรองถือศีลพรหมจรรย์ได้ถ้าตัดความหลงต่างๆจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ก็จะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจตัวเดียวเท่านั้น ใจตัวนี้ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างสภาวะธรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาบางเวลาก็เป็นเทพบางเวลาก็เป็นเดรัจฉานบางเวลาก็เป็นสัตว์นรกขึ้นอยู่กับความคิดของตนเองว่าคิดดีหรือคิดชั่วถ้าคิดดีก็จะเป็นสวรรค์ถ้าคิดชั่วก็จะเป็นนรก ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆบางทีก็ขึ้นสวรรค์บางทีก็ตกนรกบางทีก็เป็นเทพบางทีก็เป็นเดรัจฉานสลับกันไปอยู่เรื่อยๆจนถึงเวลาตายขณะที่ตายตอนนั้นถ้าใจเป็นอะไรตอนนั้นใจก็จะไปเป็นอย่างนั้นถ้าใจเป็นเดรัจฉานคือไม่รักษาศีล ก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าใจมีความรุ่มร้อนอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นใจก็จะไปนรกคือใจนี่แหละจะเป็นนรกใจนี่แหละจะเป็นเดรัจฉานเมื่อใจเป็นเดรัจฉานใจก็ไปหาร่างของเดรัจฉานมาถ้าใจเป็นมนุษย์ใจก็ไปหาร่างของมนุษย์มาจะเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องไม่เบียดเบียน ผู้อื่นต้องมีศีลห้าประยูปประจำใจไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงไม่เสพสารยาเมาใจก็เป็นมนุษย์ได้เวลาตายไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าในขณะที่ตายไปใจเกิดมีอาการหวาดกลัวขึ้นมาก็จะไปเป็นผี ถ้ามีอาการโกรธแค้นรุ่มร้อนจิตใจก็จะไปก็จะไปตกนรกถ้ามีความหิวมีความอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็จะไปเป็นเปรต <Yeah. S 1> ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำใจให้ดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดี <Yeah. S 1> เช่นทำบุญให้ทานรักษาศีล ทำจิตใจให้สงบไม่หาความสุขจากสิ่งภายนอก mm. เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ความอิ่มความพอนั่นเองให้เท่าไหร่ก็ยังอยากจะได้อยู่เรื่อยๆอยากจะสัมผัสอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไปหาสิ่งเหล่านี้มาด้วยวิธีที่มิชอบ mm. เช่นไปประพฤติผิดประเวณี ก็จะทําให้กลายเป็นเปรตไปแต่ถ้ายังรักษาศีลได้อยู่ในขณะที่ไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ยังเป็นมนุษย์ได้อยู่ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถตัดกามมุสุขได้ยังไม่สามารถตัดกามมาตัญหาความอยากในกาม คือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสได้ก็ให้หามาด้วยวิธีที่สุดจริกอย่าไปทำผิดศีลผิดธรรมเช่นอยากจะได้คู่ครองก็จงหามาด้วยความถูกต้องตามหลักประเพณีไม่ไปเอาสามีภรรยาของผู้อื่นมาเป็นคู่ครองแล้วก็ควรจะตั้งอยู่ในฐานะของ สามีเดียวภรรยาเดียวมีสามีเดียวก็พอแล้วมีภรรยาเดียวก็พอแล้วถ้ามีมากกว่านั้นก็จะเป็นเปรดไปเพราะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพอได้สองคนแล้วก็อยากจะได้สามคนอยากจะได้สี่คนอยากจะได้ห้าคนอยากจะอยากไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเปรดไป ถ้าอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ต้องเป็นผัวเดียวเมียเดียวรักรักหนึ่งใจเดียวมีสามีคนเดียวก็พอมีภรรยาคนเดียวก็พอมีความสุขเท่ากันจะมีภรรยาสามคนสามีห้าคนก็ไม่มีความสุขมากไปกว่าการมีภรรยามีสามีเพียงคนเดียวนอกจาก มีความสุขไม่มากกว่ากันแล้วคนที่มีสามีมากมีภรรยามากกับมีความทุกข์มีความวุ่นวายมากเสียอีกเพราะยังไงยังไงก็จะต้องทะเลาะกันถ้าสามถ้าภรรยาหรือสามีรู้ว่าไปมีมากกว่าตนนะไปมีสามีไปมีภรรยามากกว่าที่มีอยู่ คนที่เขาเป็นสามีเป็นภรรยาเขาก็ต้องเสียอกเสียใจเขาก็ต้องเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาดังนั้นขอให้เราจงดูแลใจของเราให้ดีเพราะใจนี่แหละเป็นตัวที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในที่สูงไปเกิดในที่ต่ำก็เกิดจากความคิดของเราถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีพูดดี แล้วใจของเราก็จะดีขึ้นไปด้วยอย่างวันนี้เราคิดดีเราคิดมาทําบุญคิดมารักษาศีลคิดมาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็ทําให้เราอย่างน้อยก็ได้เป็นมนุษย์ถ้ามากกว่านั้นก็ได้เป็นเทพถ้าทาจิตใจให้สงบก็ได้เป็นพรหมถ้าโปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะเป็นพระอริยเจ้า เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยากไม่ไม่หวังไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเพราะอยาําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมายึดติดกับอะไรเวลาสิ่งที่ยึดติดนั้นจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเป็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลาย ในโลกนี้จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขของเราให้ความสุขแก่เราได้อย่างแท้จริงให้ความสุขโดยที่ไม่มีความทุกข์แถมมานั้นไม่มีในโลกนี้มีแต่จะมีความทุกข์แถมมาด้วยและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขเพราะมันมาทีหลังความสุขมาก่อนพอความทุกข์มาแล้วความสุขที่มานั้นก็หายไป เหมือนกับไม่มีเลยคนชะลาดก็ต้องรู้จักตรงรู้จักวางไม่ยึดไม่ติดถึงแม้จะมีอยู่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องพัดภากจากกันเพราะพุทธเจ้าจึงสอนให้เราจเจริญทำบทที่ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้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 เพราะรู้ว่าถ้ายึดติดแล้วจะต้องทุกข์ทรมานใจนั่นเองเราอยากจะสุขหรือเราอยากจะทุกข์ทรมานใจก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากจะสุขเราก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆต้องสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆทุกขณะทุกเวลาเพราะถ้าเราไม่สอนแล้วความหลงก็จะหลอกให้เราไปยึดติดทันที อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้ดีกับเราไปนานๆพอไม่ได้เป็นไปดังที่ต้องการก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นแล้วก็ต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อไปท ำ, ทำให้ใจกลายเป็นนรกไปได้กลายเป็นเดรัจฉานไปได้เพราะเราไม่มีธรรมะไว้คอยเตือนสตินั่นเอง ถ้าเรามีธรรมะคอยเตือนสติแล้วเราจะไม่หวังอะไรจากใครทั้งสิ้นจะไม่หวังจากอะไรทั้งสิ้นมีก็มีไปอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปแต่จะอยู่แบบไหนก็ได้จะดีก็ได้จะชั่วก็ได้ไม่ได้มีความวิตกเพราะเมื่อจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราไม่ได้ไปหวังให้เขาดีแล้ว เขาเขาจะชั่วอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปหวังให้เขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กับเราพอเขาไม่ดีกับโหดร้ายทารุณกับเราเราก็จะต้องเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราไม่หวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับญาติโยมไม่ได้หวังอะไรจากคนที่เราไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเราไม่รู้จักนั้นเขาจะดีไม่ดีเขาจะชั่ว หรือไม่ชั่วยอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้หวังเราไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับเขานั่นเองเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาฉันใดคนที่เราอยู่ด้วยก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหลงไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดูแล ก, กันไม่ให้ช่วยเหลือกัน ก็ให้มีความเมตตาต่อกันมีความไมาตรีจิตมีความกรุณามีความสงสารคอยช่วยเหลือกันเดือดร้อนอะไรพอจะทําอะไรให้กันได้ก็ทํากันไปแต่ไม่หวังผลตอบแทนจากการกระทําเพราะว่าการกระทําของเรานี่มันมีผลอยู่ในตัวแล้วถ้าเรามีความเมตตามีความกรุณาใจของเราจะมีความสุข มีความอิ่มเอิบใจไม่ต้องให้คนที่เราให้ความเมตตาให้ความกรุณามาให้อะไรตอบแทนกับเราเพราะสิ่งที่เขาให้เรานั้นไม่สามารถทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจได้ดังนั้นเวลาเราทำอะไรช่วยเหลือใครเราอย่าไปหวังอะไรตอบแทนเพราะเรามีความสุขแล้ว เป็นสิ่งตอบแทนอยู่ภายในใจเพราะถ้าเราไปหวังแล้วเกิดเขาไม่ทำตามที่เราหวังเราก็จะเสียใจก็จะมาลบล้างความสุขใจที่มีอยู่ให้หายไปดังนั้นพระพุธทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา ไม่อย่าไปยึดอย่าไปติดแล้วจะไม่ทุกข์จะไม่จะไม่กังวลจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายนี่แหละคือเรื่องของของของพวกเราเรื่องของใจที่พวกเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มาวัดเพราะเราจะเห็นอยู่ที่เรื่องของร่างกายของเราก็จะวิตกกังวลกับเรื่องร่างกาย พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็เดือดร้อนวุ่นวายใจพอแก่ก็เดือดร้อนใจพอตายก็ยิ่งวุ่นวายใจใหญ่เพราะไม่รู้ว่ากายนี้เป็นเพียงเปลือกของเราเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราตัวตนที่แท้จริงของเราคือใจต่างหากที่ไม่ตายเวลาร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดและไม่ดับ ทำอย่างไรก็ไม่ตายเอาระเบิดนิวเคลียร์มาถล่มมันก็ไม่ตายไอ้ที่ตายไปก็เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองใจก็ไปเกิดใหม่ขึ้นอยู่กับว่าขณะที่ตายไปสภาวะเจ้ของใจนั้นเป็นอย่างไรถ้าสงบเย็นปล่อยวางก็ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถ้ารุ่มร้อนจิตใจหวาดกลัววิตกทุกข์กังวลก็จะไปสู่อบาย ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกสอนใจทำใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายด้วยการทำบุญสร้างกุศลด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาปรองอนิจจงทุกขังอนัตตาตามที่ได้สอนไว้คือให้พิจารณาอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เป็นธรรมดาต้องพัดพากจากการทำเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ ว, ลวเราจะเกิดปัญญาจะเกิดมีแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาที่จะทำให้เราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อไม่ยึดไม่ติดแล้วใจก็เย็นใจก็สบายใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปยังขอให้เราจงหมั่นมาวัดกันเพื่อจะได้ทำให้หูตาและใจของเราสว่างสวยัยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมฟังแล้วก็ให้นำเอาไปรักษาต่อให้สว่างอยู่เรื่อยๆด้วยการระลึกด้วยการคิดด้วยการปฏิบัติตาม ถ้าฟังแล้วไม่เอาไปคิดต่อไม่เอาไประลึกต่อไม่เอาไปปฏิบัติต่อมันก็จะดับไปเหมือนกับแสงเหมือนกับไม่ขีดที่เราจุดไว้ไม่นานมันก็จะดับไปแต่ถ้าเราเอาไปจุดไม่ขีดแล้วเราเอาไปจุดกับเทียนแล้วก็หาเทียนหลายๆเล่มมามามาจุดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดแสงสว่างสวายขึ้นมา ถ้าเราเอาไปคิดเอาไปปฏิบัติต่อก็เท่ากับการทำให้แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจา้านี้สว่างสวัยอยู่ในใจของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปยึดไปติดไปสร้างความทุกข์ให้กับเราจึงขอให้ท่านจงให้ความสำคัญต่อการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม และต่อการนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขและความเจริญจงมีแต่ขั้นทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอ